ทำกันเนาะเพื่อจะนำไปปฏิบัติให้เกิดทำขึ้นมาแต่ตัวเองที่เป็นศาสนาธรรมไม่ใช่เป็นพิธีไม่ใช่เป็นวัตถุไม่ใช่เป็นทู้คนตัวตนเป็นศาสนาธรรมศาสนาธรรมอันเป็นไปเพื่อ ความบ อ, อกจากทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่ อ, อนิพพานนี่รตว่ า, าศาสนาธรรมทำในสิ่งที่จะให้เกิดาศาสนธรรมที่กายที่ใจของคนนี่เกิดที่อื่นไม่ใช่าศาสนธรรมาศาสนธรรมก็เกิดต้องเกิดขึ้นที่กายที่ใจของคนที่ยังไม่ตายนี่ เป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์ออกจากทุกข์เมื่อยังไม่ตายนี้เด็นไปเพื่อความสงบก็สงบในเวลาที่ชีวิตอยู่นี่เป็นไปเพื่อพระิพานก็พระเกิดพระนานขึ้นขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ เ, เรเ า, เรเ า, นนาจึงต้องทําอะไรเพื่อศาสนธรรมให้เกิดขึ้นมา หวัาชาวนาอยากจะได้ข้าวต้องทําที่จริงที่เกิดขึ้นกับข้าวเพื่อจะให้ข้าวเกิดขึ้นมาเพื่อจะได้ข้าวมากินก็จะชื่อเนื้อที่ดาชื่อค่าดชื่อถ่ายชื่อข้าวผูกข้าวพันหนาเครื่องสูบน้าําหาหล่งน้ํำก็ต้องอาศัยสิ่งที่เกิดให้เกิดขึ้น ให้ข้าวเกิดขึ้นมาจึงเรียกว่าทำนาตอนนี้เรามาทำกรรมมาฐานเพื่อเกิดศาสนธรรมศาสนธรรมนั่นเกิดขึ้นด้วยการที่ใจนี้มีสติเห็นกายเป็นประจำนี่ที่จะให้เกิดศาสนธรรม มีสิ่งที่ให้เกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนไปเพื่อความสงบความทุกไม่ทุกความปานิพานถือเกาะอยู่เป็นประจำในความเพียรใส่ใจให้เห็นให้ปลูกให้รู้สึกตัวอยู่เสมอสิ่งที่ไม่ใช่ติตติคือสตาิธรรม ก็เกิดขึ้นมาบางโอกาสแล้วก็ถอนออกสร้งสางไม่ศาสะถามอยู่แทนไม่กล่ว่ากายชวกายไม่ช่สัตว์บุคคลตตนโลกเขาเห็นให้อย่านี้เลยว่ า, าศาสะถามจะเกิดขึ้นที่กายแต่ว่าที่เห็นที่รู้นี่ก็เป็นาศาสะถรมที่เกิดขึ้นที่จิตใจ นสุกเกิดทุกที่เกิดกเกับใจกับใจก็ด้ว่าสัจธารมจะให้สุกมันเนสุก่าให้ทุกมันเป็นทุกสัจตรวมธรรมสัจธรราเวทนาสัจธรราสุขว่าทุกห็จิตที่มันคิดขึ้นมาสัจธรราจิตอย่าให้จิตว่า้เป็นตัวเป็นตนตัวตนเราเขาทุกเกิดสุก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 ความปทุกข์เกิดขึ้นก็จากแต่ว่าทำอะไรเกิดขึ้นมาเจ็บกายกับใจก็ให้เป็นงานการสร้างสารรค์ขึ้นมาให้จักแต่ว่าอย่าเข้าไปเป็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นมามันก็มีมากสิ่งที่เกิดขึ้นจนคนผลูกข้าวแทนที่จะได้ข้าวตนา้นข้าวเกิดเป็นหญ้าขึ้นมา แสงขึ้นเมืองต้นข้าวก็ไม่งามเป็นถอนออกถอนที่ไม่ใช่ต้นข้าวออกไปเปลว่าถอนสิ่งที่ไช่ทำออกไปเคยสักแต่ว่านี่เป็นคำถอนมันมายากกับปลูกข้าถอนต้นหญ้าตากแต่ตากฝนนั่งอยู่นวนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ ขันเกิดขึ้นได้ทุกแบบความจุกวามทุกขความปวดลูกหลงเกตัางแตละค่วงเหงาหอนนอนเลยสงสัยคิดฝุ่งช้านเกิดนนะขึ้นได้ก็ถอนออกให้รู้จึกตัวซะให้เป็นแหล่งความรู้จึกตัวเกิดขึ้นที่กาที่ใจให้กายให้ใจเป็นสิตที่ผูกกัน อาศัยแหงมรู้จักตัวเป็นที่เกิดของควารู้จักตัวไม่ให้เกิดปรนสุขเ ป, ป็ปนทุกข์เป็ะดีใจเสียใจเป็นชอบไม่ชอบอาจจะเคยใช่แบบนั้นมานานแล้วอาจจะคุ้นเคยกับจริงเหล่านั้นพองมาทำลงไปมันก็มาบ่อยมันเคยใช่มันเคยอยู่ว่าใช่ไหมเป็น อะไรเกิดขึ้นมาก็พอใจไม่พอใจถอนลอกมาให้รู้จักตัวตรงนี้ต้องทวนกระแสสักหน่อยต้องใส่ใจสักหน่อยนั้นยังจะหมดไปเห็นแจ้งเห็นความเท็จความจริงในริงที่ไม่ถูกต้องให้เป็นความถูกต้องตรกนี้เรียว่า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 วัฒนธรรมมีประเพณีมีไอคิบอย่างนี้เท่านั้นแล้วความสะดวกจากวัฒนธรรมประเพณีศาสนาทำไรไหนคำสอนที่พระพุทธเจา้าอุบัติขึ้นมาสร้างเป็นหล่งเป็นทางเอาไวา้ให้เด้ สะดวกในการทำเรืงนี้มันเพราะมันมีประโยชน์ผู้ที่ช่วยแล้วก็ได้ประโยชน์ผู้ที่ถทมก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายยังเรียกว่าเป็นบุญใหญ่เป็นอานิสงส์ใหญ่บุญนั้นใดความดีอันใดก็ไม่เกิดขึ้นได้มากคนกับคนจะเป็นคนดี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 มีพี่มีน้องก็อยากได้พี่น้องเป็นคนดีมีเพื่อนมีมิตรก็อยากได้เพื่อนมิตรเป็นคนดีมันความคิดเหมือนกันเช่นพ่อแม่ที่ให้ลูกได้ลูกเกิดมาก็อยากได้ลูกเป็นคนดีอันนี้เป็นสวนรวมมันเดียวกันวิธีปฏิบัติ ในชีวิตในการในใจเพื่อให้เกิดความดีดี่ว่าศาสนธรรมนี้จึงเป็นความชอบที่สุดแลามีวิธีปฏิบัติให้เกิดศาสนธรรมนี่ได้ง่ายสะดวกพระเจ้าจึงตัดว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้จากนี้แล้วก็ยัง ผู้ที่มีพู้มารับผิดชอบเรื่องนี้ตระวาพระสงฆ์สังฆะหมูสงฆ์รวมกันเป็นหมูเป็นคณะเพื่อทำเรื่องนี้ขึ้นมาสร้างสีบรดลล้อมขึ้นมาํำนวยความะดวกให้ผู้ปฏิบัติขึ้นมาให้เกี่ยวกับสาสะลมเกิดขึ้นที่คนปนชอบขึนมาก็ะฟาตำบัดรวดมนต์ อาสิ่งวระอมที่ได้ดีได้ยินได้ฟังได้สาธยายกับวาจากับปากกับกายกับใจสองผดแลวก็ติมไล่ถูกน้าฝนสองผลลงไปก็จะช่วงเย็นโต ว, วันโตคืนได้สิ่งวระอมดีก็เป็นไปได้ ที่อะไรก็มีแต่ศาสนธรรมการผมจีวรก็ศาสนธรรมการฉันบิบาตัอาหารก็เป็นศาสนาธรรมการอยู่เฉยนหนาสนะก็เป็นศาสนธรรมการกินยาลักษาโรค ก, ก็เป็นศาสนธรรมนี่เดียว ชิงเวทล้อมอาจจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาบ้างงั้นเรามีภาชนะใส่อาหารกินแล้วก็อาจจะดีกว่ามือใส่แก้วมือใส่ก็ถือว่ามือเป็นภาชนะเหมือนลัดทิ่เปื่อยไมานุ่งเชื่อผ้าไม่มีอะไร เวลาไปขอข้าวกินเอาใส่มือใส่มือเขาใส่มือก็กินติดมือคามือไ ป, ท, ปทั้งเปื่ทั้งเพื่ื่มไปขอกินมาเดื่ดกับเดียมือไดก็กินไปขอราก็กินไปแต่วันนี้ก็ยังมีอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของคนประเภทประเทศนี่ก็ยังไม่อยู่เรไม่มีชนเราไม่มี อลารเช่นนักเรียนไปออกข้ายไปพบกันอยู่ที่ถ้ำอชันตานักเรียนไปเที่ยวกับครูถึงเลากินข้าว ก, ก, ก็มีหอข้าวใส่ใบตองวางลง็นแถวไปแล้วกันั่งอาเมืองเปิดกินเปิดกินเปิดกินปกิ น, กนแต่เขามักจะเม่ กัติ่น้ำทุกคนจังเดี๋ยวทั้งมือทั้งกินกินอิ่มแล้ววต้ตองก็ไม่ต้องเก็บทิ้งไปด้านเดี๋ยวก็มีหมูป่ามีวัวมีควายมาเก็บให้อะไรวะสุขาพคือวคือควายคือหมูป่ามีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองกาไม่ทำลายสัตว์ประเภทนี้ อันนี้ยังมีอยู่การปฏิบัติธรรมมีรูปมีแบบมีศาสนิพิธีส า, าวัตถุศาสนาบุคคลศาสนาธรรมอํานวยใ ห, ใ, ววให้เกิดความสะดวกให้เกิดฐาศาสนะธรรมขึ้นมาเมื่อเกิดศาสนะธรรมขึ้นมามันก็ไปทิศทาง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 ความพอใจความไม่พอใจถนออกมาแล้วไม่ใช่ตัวตนไม่เอาความพอใจความไม่พอใจมาเป็นตัวบรรทุ น, นสักแต่ ว, ว่าเห็นความไม่เที่ยงก็สักแต่ ว, ว่าความไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนั้นเรามาเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงจึงเป็นไปเพื่อปะริพญานตนเพื่อปลดปอ่อกจากทุกข์เป็นไปเพววื่อวามสงบ ไม่ได้คุ่งจะเดแล่นเป็นหน่อยถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ฝึกหัดไปแล่นไปไกลอะไรเก็ขึ้นมาก็แล่นไปใจห่วงใหญ่กังวลทิศห่วงลูกห่วงหลานห่วงซอบสิ้นเสด็จขานมันก็ไปไม่ได้ก็คล่องไปเสียกปูกคอปอปลุกศกปอ บ, อปอบขา เรว่าวัฏะสองสารแม้แต่ความโกรธเรื่องเก่าโกรธล้วโกรธอีกมันเป็นวัตฏะสองสารมนุษย์คนนี้ไม่ใช้สัตว์ น, นิลไฉานมันติดวิญญาณมันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันติดแแต่มันจะติดอะไรก็เป็นอันนั้นติด ความหลงก็เป็นวิญญาณแห่งขนหลงหรือว่าโมหจะจริตจริตลาคาจริตตัณาก็เรียกว่าลาคาจริตสริตโทสก็เรียกว่าโทษะจริตต่อไปฝึกหัดก็ติดคุธะจริตรู้ตื่นในสุกเรื่องทุกหราว เราไม่หัดก็เป็นไม่เป็นต้องหัดเกิดมาใช้เป็นเลยไม่ได้อันความดีส่วนมากมันจะไม่ค่อยดีที่มันเกิดขึ้นมาถ้าไม่หัดพวามันมีเหตุมีปัจจัยจิงเวดลอมตาก็มีรูปเป็นคู่หูก็มีเสียงเป็นรู่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 ทุกฝนทุกโกรธทุกโกรธตายไปแล้วตายไปกับความหลงตายกับความทุกตายไปกับความโกรธไอ่จริงรถของโลกทับผมเราจะทําอย่างไงมีจริงๆโลกนี่มีรสชาติจักโลกย้องติดรสชาติเหมนปลาติดเบ็ดเพราะมันมีเหยื่อเหมือนกับติดรสชาติ มันจึงหลงจึงมีวิธีที่เกิดศสสรัธธรรมขึ้นมาเพื่อฝึกตนสอนตนเตนต น, ตนแก้ไขตนให้เป็นคนดีแล้วก็มีสิ่งที่เกี่ยวข้องโลกนี้เราจะเป็นคนชั่วทั้งหมดโลกก็จีบหอยที่มันเหลือเชา่ออยู่นี่ก็เพราะคนดี ยึดเหล่าที่พออยู่ได้ก็พบความดีคือทำเราเคยโกรธแต่ความไม่โกรธก็ยังช่วยเราอยู่ความโกรธหายไปความไม่โกรธขึ้นมาแทนจะช่วยได้อยู่แต่เรามาช่วยความไม่โกรธให้งอกงามให้มากขึ้นมักจะต้อนรับอะไรเกิดขึ้นม า, าพอใจไม่พอใจมักจะต้อนรับ รถของโลกอย่างนั้นแา่ที่จะถอนออกมาลู้จากตัวชาไม่ค่อยทากันเป็นล่ำเป็นสรเป็นอาชีพเราอยู่ในวัดจิขาและทํามเป็นเรื่องเิชีวิตของพวกเราเป็นอาชีพไม่มีอาชีพเรื่องนี้ไม่ต้องทำมาหาจิน อันใดค่าขายความสวนทำนาทำไร่ไม่ต้องทำมีอาชีพเรื่องนี้เมื่อมีอาชีพได้แล้วเป็นกอบเป็นกรรเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาไปบอกไปสองคนอื่นพระสงปฏิบัติชอบหมู่ชนผู้เชื่อฟังคำสอนปฏิบัติชอบตามทำไม่ไนายเรียว่าพระสงฆ์ ปฏิบัติแรกสองขึ้นใล้ลูกตามด้วยนี่คนพระตะตายแต่เมื่อลูกจริงแล้วก็อดไม่ได้จริงๆขอใช้ชีวิตชอบบอกความผิดความถูกต่อคนสุดหัวใจเพราะเคยทุกคนที่เคยทุก็ ย, กกยอมเห็นใจคนที่ทุก คนที่เคยเจ็บก็ย่อมเห็นใจคนที่เจ็บคนที่เคยหิวก็ย่อมเห็นดุเห็นใจคนที่เคยหิวคนที่คนหิวเมื่อเห็นดุเห็นใจกันก็ช่วยกันไม่ได้ปล่อยกันทิ้งแต่คนใดเวลาทุกข์ไม่เคยพ้นทุกข์ก็มาจอดช่วยกันหรอกคนที่หิวไม่เคยช่วยก็ม รู้จักคนจนทุกความหิ ว, วก็ไปจับช่วยคนที่หิวพราเขาไม่เห็นตัวของเขาเหมือนคนเห็นคนตกล่ามก็เฉยไม่ได้ต้องช่วยเหลือก็วขึ้นมาขึ้นมาฉะนั้นคนเราจะต้องเอาใจกัน ในจริงๆถ้ามีทำถ้าไม่มีทำก็ไม่จะเอาเปรียบอล้วแต่เปรียบกันคนโอ้ก็เอาชีพเกี่ยวั บ, บคนที่ฉลาดเป็นคนพบวงจรหมดไม่แต่อาชีพการงานเอาเปรียบคนจนก็จนลงไปคนรวยก็เหลือล้นท้า ม่เมืองเจดีย์ัยข้างครัพระเจ้าอาถรรินทิการมเจดีช่วยคนอื่นมากมายสร้างวัดสร้างวาเป็นยอุทากพระเจ้าเราจึงเฉยไม่ได้เรื่องนี้เพราะสาของชั่วอยู่ที่คนเรา ไม่บอกเขาเราก็เดือดร้อนจึงเป็นหน้าที่บอกเราได้บอกแล้วเขายังไม่ดีเขาว่าใช่ความผิดของเราก็าอมยอมลำบากบอกขอท้องชั่วต้องระวังไปทางไหนที่ตายเขาไม่ค่อยจะปลอดภยัยหลางพูดหังกล่อมเรภัยมือสองเราไม่เป็นผู้ผิดเขาผิด ทำก็ทำให้เราเดือดร้อนสุขภาพมือสองเราไม่สูบบุหรี่คนอื่นเขาสูบเราก็เดือดร้อนคนเขาเมาขอบขบรถชนเราเราก็เดือดร้อนเราไม่มเามาลงมีสติดีอยู่แต่คนขาดสติคนหลงมีมากเราจึงเป็นหนี้ของพวกเราที่จะต้องบอก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 มีอยู่ความทุกข์มีอยู่เพาไม่สบากายก็ไม่สบ า, า, า, มมสบาใจเป็นทุกข์มันไม่อยู่ความครั่งไคล้ใจวาตนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้ น, น ก, น ก, ก็เป็นทุกข์มันไม่อยู่ความภัคภัณฑากของรลอของชอบใจมันเป็นทุกข์ก็ยังไม่อยู่ความแก่ความเจ็บคมตายเป็นทุกข์ก็ยังไม่อยู่ มไม่เจ็บไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายคนไม่ทุกก็ไม่อยู่จึงเกินเรื่องที่น่าเสียดายวาหยคนเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นความบอป้องเพราะมันกระทบกระเทือนเราต่อโรคด้วยไม่ใช่เราคนเดียวหลอกมีไฟอุทุก์กับไฟมี ไฟเกิดจากน้มก็มีไว้ธรรมชาติวาตาไฟไฟเกิดจากลมก็มีในโลกนี้ตะกี้ไยไฟเกิดจากไฟก็มีในโลกนี้โจลรไยไฟเกิดจากโจรผู้รยก็ยังมีอยู่ในโลกนี้แล้วจะไปปาบนะปาบไม่หมดถ้าไม่เริ่มต้นที่ตัวเรามาสอนกันเรื่องกรรมฐานนี้ อภ u r a เรื่องนี้ให้เขาได้เห็นตัวเขาเที่เกิดก็จะที่เหตุโน่นไม่ใช่ไปฆ่าเขาแต่ฆ่าคนก็มาคยถูกเตดนั่นที้คนต้มชั่วนั่นเพราะมันหลงคนฆ่ากันตายเพราะมันโกรธมันหลงมันโลภเปรียบเปลเปียนกันเอาเปรียบกันเพราะมันโลภ เพราะว่าการมีจิตถอนความพอใจและความไม่พอใจในรูปองอได้เนี่ยเหตุมันอยู่ที่นี่ถอนลงมานีจิตควมเพีเครื่องขอเลือถอนลงมาน้านลัไม่เป็นิเลสทำไมเจ้ามองนถนโทษต่อตัวเและคนอื่นอะเกิดขึมากระถอนออกมา จยากสี่ดานนี้ได้มันก็ง่ายกั็ไปได้เมื่อรู้จะถอนออกมากายเวทนาจิตธรรมเริ่มต้นอยู่ที่นี่เหมือนกับเสวได้แล้วเป็นเช่นทางไปได้แล้วเดินได้ได้แล้วเดินไปบ่อยๆถอนไปบ่อยๆมันจะลงจะเตียนขึ้นมา เป็นทางแล้วก็คุกขาดน่อยหนึ่งหลงแล้วหลงอีกขุกขาหน่อยหนึ่ ง, ง, ง, กกงต่อไปต่อไปก็เปลี่ยนหลงเป็นลูเรื่อยไปก็เรียบขึ้นเรียบขึ้นเรียบขึ้นกลายเป็นทางเรียบเป็นมิตรภาพราบเรียบเป็นทางสะดวกเมื่อมันเกิดความสะดวกไหลไปสุกความดียี่ยงไปไหลไปสูขข่มรฉุผล ไปถึงจุหมายปลายทางนั่นก็เป็นคนคนเดียวกันเหยียบไปไหลไปจู่มากจู่ผลหวนน้ำไหลจากทีู่งสูดที่ต่ำแล้วต่ำที่ต่ำทะเลเหมือนหาดูดเป็นมักผ ล, ผ ล, ก ล, ลนิพานก็ไหลไปจุดท้ายล้นลุ่มลึกลงไปเป็นเดียวกันหน่อยน้ำอะไรต่างๆลดต่างๆกลายเป็นน้ำลดเข็มเหมือนกันหมดไม่ทำ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 ไม่มีจึงจะอ้างาศาสนธรรมนี้มีสติยกชีวิตมันหลงหรือมีสิธิไม่หลงเปลี่ยนได้ฝันโกรธมีสธิไม่โกรธเปลี่ยนได้ฝันทุกมีสิทธิไม่ทุกเปลี่ยนได้อย่าเพึ่งด่ากันอย่าเพึงฆ่ากันอย่าเพึ่งเอาเปรียบกันมันเปลี่ยนได้เป็นดีอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรม ไปบังคับกันไม่ได้ต้องทำเองปฏิวัติทรามผู้ปฏิบัติต้องศึกษาด้วยตัวเองปฏิบัติได้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติจ่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรลูกคนรเห็นตามทุกคนเจอผู้ปฏิบัติธรรมแค่ไหน วิชากรรมฐานสิบทีจังหวาเคลื่อนไหวสิบสีครัง้งมีลู้ทุกครั้งไหมตามทุกขวรแจ่ผู้ปฏิบัติหุ่นคุณคิณคดในลมที่คุณคิดไม่รู้จักมีสติมันก็ไม่ใช่เวลาเท่ากันแต่ใช่คนละแบบเหมือนพระเจ้าตรัสว่า ไม่ประมาทใ น, นเมื่อพื้นประมาทตื่นอยู่ใ น, นเมื่อพื้นหลับย่อมเลาะคนโง่ไปไกลเหมือนม่ามีผีเท่าดีเลาะมาที่เมย์กำลังฉันด้าน